บางคนเรียนมานานนะ heh, <ừ> <confusion. S 2> เรียนตั้งแต่อย่างสาวรุ่นรุ่นตอนนี้รุ่นป้าแนละ้ <laughs> <c oughs> ไมบางคนเรียนช้า <c oughs> เรียนยากบางคนเรียนเร็วมีไหลเงื่อนไขพวกที่เรียนช้านะพวกหนึ่ง <c oughs> พวกชอบคิดคิดมาก คิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกตัวที่คิดนะ่้นใจมันฟงุงซานอีกพวกหนึ่งที่ช้านะพวกติดเพ่งเพ่งจ้องนิ่งๆอยูนะ่ติดเพ่งอยู่กี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละส่วนพวกช่างคิดนะมันฟุงซานไปเรื่อยๆนะพวกติดเพ่งนะ มีโอกาสไปสุขติพอจิตมันนิ่งๆพอจะไปเป็นพรหมได้นะพวกคิดมากฟุ้งซ่านไม่ค่อยดีจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะถ้าจะสรุปจริงๆก็คือตึงไปกับหย่อนไปท่านะมันไม่เข้าทางสายกลางเสียที ย่อนไปไหลงโลกไปเลย น, นี่นี่ยอนสุดขีดนะพวกหนึ่งก็พวกคิดค้นกว้าพิจรณาอยู่นั่นแหละคิดคิ ด, ค, ดคิดไปเรื่อยไม่หยุดคิดแทนที่จะรู้สภาวะนะก็ไปพยายามคิดว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทั้งทั้งที่สภาวะรรมมันแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่ทนโทษนี่เองใครๆก็เห็นได้อย่างความสุข ใครๆก็รู้จักในใจเรามีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยใครๆก็รู้จักเวลาใจมีความสุขนะไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยมันมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขรู้ไปที่ตัวสภาวะจะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลเข้าไปอยู่แช่กับตัวสภาวะเห็นสภาวะอยู่นั้นจิตแยกเป็นคนดูแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ออกมา เป็นสภาวะมันทํางานไปพี่เห็นนะีความสุขมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาให้มีความสุขความสุขมันผุดขึ้นมาได้เองมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเนี่ยความจริงมันก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาของจริงมันก็มีอยู่สิ่งที่เรียกว่าของจริงคือปรมา ธ, ธรรมปรมาธรรมฟังแล้วน่ากลัวจริงๆก็คือรูปนามคือกายคือใจนิ่ง เป็นของจริงมีอยู่จริงความจริงก็มีอยู่ห้เราเห็นของจริงได้ความจริงก็อยู่กับของจริงอย่างร่างกายเนียมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนคืนโลกไปตรงที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง อันนี really the the ้เรียกว่าความจริงความจริงนี้แสดงอยู่ที่ของจริงคือตัวรูปธรรมกับตัวนามธรรมนามธรรมอย่างความสุขเนี่ยความสุขมันผุดขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้ว่ามีความสุขผุดขึ้นมาย่างพอความสุขผุดขึ้นมาตัวที่ไปรู้นี่เรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะงั้นอย่างเวลาใจเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุขแล้วมีสติละ รู้ตัวสภาวะล้วต่อไปก็ดูความจริงนะตัวความสุขเนี่ยเป็นของจริงเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมาถ ธ, ธรรมเห็นตัวปรมาถ ธ, ธรรมของรูปนามแนละ้วต่อไปก็เห็นความจริงความจริงอย่างความสุขเนี่ยไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขมาเองความสุขไปเองเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้สั่งเราสั่งไม่ได้อันนี้ที่เาเห็นอนัตตา นี่คือความจริงนะของไม่ง่ายๆแค่เนีนะ้งั้นไม่ใช่ว่านั่งคิดนะว่าภาวนาจะทำยังไงทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำยังไงจะบรรลุมรรคผลนะคิดอีกช็อตหนึ่งทำไมคนอื่นเขาทำได้เราไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะไปกันใหญ่เลยนะยืดเยอะยาวนานไปเลยแทนที่จะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะมาค่อยรู้สภาวะธรรม มารู้ของจริงมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์มีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยจิตเป็นกุศลมีกุศลเกิดขึ้นโลภโกรดหลงอันนี้ก็เป็นตรมาธรรมเป็นของจริงเป็นนามธรรมความโลภความโกรธความหลงก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะฝ่ายชั่ว มันผุดขึ้นมาเราก็คอยรู้คอยดูไปเห็นของจริงหรือเห็นความโกรธผุดขึ้นมาล้วก็ดูไปเรื่แลเราก็จะเห็นความจริงความจริงก็คือความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ห้ามมันไม่ได้เจตนาไม่โกรธมันยังโกรธควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตางั้นเห็น ของจริงนะดูเรียนกรรมฐานเรียนจากของจริงอะไรที่ไม่ใช่ของจริงเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะอย่างสมมติคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลนะเพิ่งประกวดชนะปีนี้แหละปีนี้อายุตั้งสี่สนะิบละประกวดเนะี่ยคิดได้ไหมคิดได้แต่มันไม่ใช่ของจริงนะ ของจริงก็คือสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมความคิดไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นความคิดไม่มีความจริงให้ดูไม่มีไตรลักษ์รูปธรรมนามธรรมให้เป็นของจริงมีไตรลักษ์ให้ดูมีความจริงให้ดูนี่นักปฏิบัติส่วนหนึ่งนะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่เลิกคิดนอนคิดนี่ไปอยากหาความจริงจากการคิดซึ่งมันไม่มี ต้องหาความจริงจากของจริงคือสภาวธรรมนะรู้อยู่ที่รูปรู้อยู่ที่นามอย่างเรานั่งอยู่เนี่รู้สึกไปร่างกายมันนั่งหนะรือหายใจอยู่รู้สึกไปร่างกายมันหายใจมีสติรู้ว่าร่างกายหายใจเนี่รู้ของจริงลร่างกายนีย้รูปธรรมเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันะ ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเห็นนะร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวตัวนี้เราเห็นอนิจจังเห็นความจริงของร่างกายแล้วว่ามันเป็นอนิจจังหรือเราดูร่างกายนะมันยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสีอิริยาบถสีเนี่ยยืนนานๆก็ทุกนะนั่งนานๆก็ทุกเดินนานๆก็ทุกนอนนานๆก็ทุก เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆการที่เรามีสติคอยรู้ว่าอิริยาบถเราจะเห็นเลยว่าทุกกอิริยาบถเนี่ยล้วนแต่ถูกความทุกข์บีบคั้นนี่เราเห็นตัวทุกข์มันบีบขั้นทุกตัวนี้แปลว่าความบีบคั้นนะทุกขลักษณะคือมันบีบคั้นไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกทรมานแต่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันทุกทรมานด้วยมันถูกบีบคั้นด้วย อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายที่นอนอยู่ก็ต้องถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถนะงั้นเวลาเราดูอิริยาบถสี่เนี่ยตัวที่เด่นนะคือตัวทุกขังทุกขตาเวลารู้ลมหายใจนะีตัวที่เด่นนะคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอิริยาบถสี่เนี่ยจะดูตัวทุกข์ได้ชัด แล้วถ้าเราดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งดูภาพรวมของร่างกายเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวทีนึงตั้งหลายแห่งในร่างกายเราหลายส่วนพร้อมๆกันจะไปดูนิ้วกะดิกเนี่ยตรงนี้ก็ลืมดูเนี่เวลาดูสัมผััญญะนะมีสัมผััญญารู้ตัวทั่วพร้อมเลยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวนี้เราจะเห็นว่าร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง เงินสัมปชัญญะบัพพะในกายานุปัสนาเนี่ยสิ่งที่ดูได้ง่ายนะคืออนัตตาอนัตตาลมหายใจเนี่ยจะสะท้อนจะแสดงความจริงในแง่มุมของอนิจจังได้ง่ายอิริยาบถจะแสดงแง่มุมความจริงในแง่ทุกข์ขังสัมปชัญญะความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งเนี่ยจะแสดงความจริง ในแง่ของอนัตตาได้ง่ายนะนี่ความสุขความทุกข์ล่ ะ, ะความสุขความทุกข์นี่เกิดแกัใจนะแต่ถ้าสุขทุกข์กับกายนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะหลวงพ่อไม่แนะนําหรอกการดูสุขทุกข์ของกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานงั้นอย่างสายท่านโกอินกาคารวาพระพม่า ก่อนที่เขาจะมาดูเวทนาเนี่ยเขาให้ทํามานาปนาสติอยู่ก่อนเขาก็โอเคนะในหลักของมันถูกนะส่วนควรจะทําถูกหรือทําไหวหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งยากอยู่นะจะต้องเข้าสมาธิให้ได้นะจิตทรงสมาธิแล้วก็ดูเวทนาในกายดูกันโตรุ่งหามรุ่งหามข้ามอะไรอเงี้ยนะทุกทรมานมากถ้าจิตไม่ทรงฌานดูไม่ไหว เวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาทางใจไม่ต้องสงชาญหรอกในใจเราเดี๋ยวก็สุขในใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็นของจริงแล้วมันมีความจริงยังไงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่คือความจริงของมันสุขก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทุกข์ก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้เหมือนกัน นี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เรียกว่าของจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมเราจะต้องรู้มีสติรู้รูปธรรมนามธรรมไปแล้วก็ดูไปจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นรูปธรรมนามธรรมนะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนามธรรมเนี่ยจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาง่าย ดูง่ายอย่างจิตเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้ง่ายเพราะว่าจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นตัวจิตเนี่ยแสดงอ น, นิจจังได้เร็วกว่ากายอีกร่างกายเนี่ยดูอนิจจังยากนะแต่ว่าจิตเนี่ยดูอนิจจังง่ายกว่าเพราะว่ามันเร็ว แล้วก็นามาทำรรเนี่ยตัวที่ดูง่ายนะคืออนัตตาง่ายอีกตัวหนึ่งนอกเหนืออนิจจังก็อนัตตาดูง่ายนะเราสั่งไม่ได้สั่งว่าไม่โกรธมันก็จะโกรธนะสั่งว่าไม่รักมันก็จะรักอยนะี้สั่งให้ชอบคนนี้มันก็เกลียดอนะไรย่างเงี้ยสั่งไม่ได้สักอย่างนะเนี่ยดูความจริงไปนะดูจนเห็นความจริงดูของจริงจนเห็นความจริงก็แค่นี้แหละมันจะยากอะไรนักหนา ี่พวกเราแทนที่จะรูปของจริงนะคือรูปกายรู้ใจก็มัวแต่ไปคิดความคิดไม่ใช่ของจริงความคิดไม่ใช่ปรมาธธรรมความคิดไม่มีสภาวะรองรับไม่มีลักษณะเฉพาะเลยนะที่จะจับต้องได้ความโกรธมีลักษณะเฉพาะของมันใช่ความคิดเลอะเทอเะเปลือยเปลืน่นจับอะไรไม่ได้แน่นอน ถ้ดูสิ่งที่เป็นจริงนะสิ่งที่มีจริงเพื่อจะได้เห็นความจริงสิ่งที่มีจริงคือกายกับใจนี่เราจะเห็นความจริงได้เราต้องไม่เพ่งพวกเผลอเนี่ยคือพวกลืมดูของจริงคือลืมกายลืมใจพวกเผลอส่วนพวกเพ่งเนี่ยไม่สามารถจะเห็นความจริงได้ดูที่กายได้ดูที่ใจได้ แต่ไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะไปเพ่งจ้องให้มันนิ่งอยู่อย่างเพ่งอยู่ที่ร่างกายไเพ่งเพ่งจนกระทั่งหมดความรู้สึกเลยก็มีนะร่างกายหายไปเลยะจะไปเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไงหรือจะเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไงมันบังคับเอาทั้งนั้นบังคับกายนะก็ไม่เห็นความจริงของกายบังคับจิตก็ไม่เห็นความจริงของจิต พวกเพ่งเนี่ยคือพวกบังคับกายบังคับใจแต่พวกนี้ถือว่าสูงกว่าพวกเผลอนะพวกเผลอนี่ไม่เห็นกระทั้งสภาวะไม่เห็นกายไม่เห็นใจลืมลืมกายลืมใจเพราะฉะนั้นคุณภาพต่ํากว่านะระหว่างเผลอกับเพ่งเนี่ยเพ่งมีโอกาสไปสุขติเผลอไปทุกคติเผลอจะไปทุกคติแต่เพ่งมีโอกาสไปสุขติได้ อย่างพวกที่ดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองเห็น ท, ท, ท, ท, ท้องยุบเห็นรู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมเป็นของจริงแต่ว่าจิตมันเพ่งมันนิ่งอยู่เฉยๆย่เยจิตจะมองไตรลักษณ์ไม่ได้ก็จะไม่เห็นความจริงะฉนั้นเรามีสตินะรู้ของจริงคือรู้รูปนามกายใจมีปัญญาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเห็นความจริง ของกายของใจเนี่ยคือการปฏิบัตินะถ้าเผลอก็หลงไปอยู่ในความคิดลืมกายลืมใจไม่เห็นสภาวะไม่เห็นของจริงนะถ้าเผลอเนี่ยไม่เห็นของจริงเลยเพอไปอยู่กับของไม่จริงคือความคิดเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้าเพ่งเนี่ยจะไม่เห็นความจริงอย่างเราเพ่งจิตจะนิ่งเนี่ย นะเพ่งอยู่นิ่งอยู่เงันสว่างว่างมีแต่ความสุขเพ่งอยู่เงันเป็นปีอยู่ได้ไหมอยู่ได้อย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลยกับหนึ่งนะหรือแปดหมื่นกับเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะสูงสุดอยู่ที่8ปด0 0ื่นกับพวกที่เพ่งเก่งๆนะของเราเพ่งเก่งๆก็อยู่ได้ไม่เกินเจดวันเพราะในภูมิของเราเนี้ยในกามาวาจรภูมิเนี่ยจิตมันร่อนเร่อ ย, อยู่เพระะนนมันไม่นิ่งนาน ถ้าสงชานจริงๆนะถอยเอาจากฌานเราไม่ทำฌานซ้ำลงไปนะก็สงบอยู่ไม่เกินเจ็ดวันนะเดี๋ยวก็เสื่อมแต่ถ้าไปอยู่พรมโลกนะเป็นอรู ป, ประพรมชั้นสูงนะเพ่งทีหนึ่งสงบอยู่ได้แปด0มื่นกับนานเสียเวลามากเวลาไปเพ่งอยู่นะจิตเนี่ยซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงมันจะรู้สึกว่าเที่ยงนะ จิตซึ่งมันเป็นตัวทุกข์จะรู้สึกว่ามันสุขถ้าเราเพ่งในระดับชาญ น, นจิตซึ่งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เรารู้สึกว่าบังคับได้เราคุมมันอยู่ได้เป็นปีเลยอย่เงี้ยนะกลายเป็นกูเก่งนะเพราะงั้นนักเพ่งเนี่ยมีปัญญาไหมมีเหมือนกันนะแต่ปัญญามักจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายๆเลยพวกที่ไปเป็นพรหมนะจะเห็นว่าของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยง ของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขนะของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ก็คิดว่าเป็นตัวเราบังคับได้เวราะนพวกฤอษีชีพลัยนะเขาทำสมาธิไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเขาเลยคิดว่าเขาพบอาตมันอาตมันก็คืออัตตาอัตตาตัวนี้เป็นของเที่ยงเป็นของสุขนะเป็นของบังคับได้ควบคุมได้อยู่ในอำนาจ เงินแทนที่ภาวนาแล้วจะเห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าไปเพ่งเงาเนี่ยจะเห็นนิจจังสุขังอัตตานิจจังสุขังอัตตาไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ความจริงด้วยมันไม่ใช่ความจริงแต่ทำไมมันมีอยู่ได้มันมีอยู่ได้แต่มันก็อยู่ได้ชั่วคราวอยู่ดีถึงจะอยู่แปด0มืนกับสุดท้ายพรมนั้นก็ตายสุดท้ายก็ต้องตาย นี่พวกที่ไปเป็นพรหมนานๆนะกลับมาเกิดแล้วเราลึกชาติได้เนี่ยมักจะเป็นมิจฉาทิฐนะิอย่างบางคนเข้าเป็นพรหมลูกฟักนะหลุดจากพรหมลูกฟักมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าชาตมันเคยเข้าชาตมาชํานาญแล้วเข้าเก่งมากเลยปุ๊บเดียวก็ได้อีกแล้วแล้วเราลึกชาติไปชาติก่อนนี้ไม่มีชาติก่อนนี้ไม่มีนนมมเพราะอะไรมันเป็นพรหมลูกฟักไม่มีจิตใจ มีแต่วัตถุคือร่างกายนั่งซื่อบื้ออยู่แล้วลึกไปว่าเฮ้ยชาติก่อนไม่มีแต่ชาตินี้มีแสดงว่าการเกิดเนี่ยไม่มีเหตุอยู่ๆก็เกิดขึ้นลอยๆเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพวกพวกเข้าฌานเก่งๆเนี่ยจะได้มิจฉาทิฏฐิติดตัวมาเยอะเลยหรือพวกหนึ่งก็เห็นว่าจิตเที่ยงจิตนี้เป็นของเที่ยงระ ล, ลึกไปโอ้อยู่นานนะนาน หรือคิดว่าตัวเองเป็นสยามผู๋สยามผูคือเกิดเองเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครทำให้เราเกิดเลยเพราะเราลึกไปนี่นะคนอื่นเกิดที่หลังเราหมดเลยเราลึกไปตั้งแปด0มื่นกับเราเกิดก่อนเขาหมดเลยน mm hmm. พวกนี้จะสะสมมีชาิทิฐิไว้เพราะฉะ mm hmm. นั้นเราภาวนานะต้องเห็นของจริงคือกายใจอย่าไปหลงอยู่ในความคิดแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่ง เราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีหมัหยรูปธรรมนามธรรมที่เที่ยงเป็นเทวดาตายไหมตายเป็นโรมตายไหมตายดูใครเคยดูหนังแขกมั้งหนังอินเดียเทพเจ้าอ่ะพระอิสวนพระนาลายอะไรเงี้ยม มีจสติมีอุบัติมีทุกไหมพระยิสวรมีทุกไหม้ศิวะมีทุกไหมทุกพระวุมาทุกไหมนะปาราภติก็ทุกพระลักษมีก็ทุกบางทีถูกอสูรจับมาไปอยู่ในบาดาลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ยังไม่พ้นหรอกที่มีรูปธรรมมีนามธรรมอยู่นะก็ไม่พ้นจากทุกขังพวง ถึงจะมีฤทธิ์มีอำนาจมากนะก็หนีจากทุกข์ไม่ได้นะเราลองไปดูหนังแขกดูนะจะเห็นเนละเคยดูไหมท่านเหล่านั้นไม่ใช่เลวนะท่านก็เป็นคนดีนะมีความดีงามนะแต่ดีข อ, นนะ ข, ของท่านยังไม่เที่ยงสุขของท่านมันยังไม่เที่ยงยังแปรปรวนได้อยู่ ในปรมาตมนหนีทุกยังไม่พ้นง่้นเราฝึกนะรู้ของจริงจนเห็นความจริงของจริงคือกายกับใจถ้ า, ลาหลงเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นกายเห็นใจลืมกายลืมใจไปเวลาใจลอยมีกายลืมกายมีใจลืมใจ่เวลาใจลอยไปหลงไปเวลานั่งเพ่งนั่งจ้อง สมาธิไม่ถูกเป็นสมาธิเพ่งจ้องจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นไตรลักษณ์เวลาเราเพ่งจิตเนะี่ยมันจะว่างจะนิ่งหลวงพ่อเคยเป็นเคยเจอวิปสัสสนูครั้งหนึ่งปีกว่ากว่าภาวนาไปแนละ้วเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาดูไปที่กิเลสนะกิเลสมันหนีเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ เราก็จิตเราก็เคลื่อนตามมันไปดูแบบกระชัน้นชิดไม่ให้คลาดสายตาจิตไหลออกไปแล้วไม่เห็นว่าจิตไหลเข้าไปนะั้นแล้วมันดับกิเลสดับปั๊บไปเราก็คิดว่าจิตอยู่ที่ฐานนะเพราะเราไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนนะจิตส่งออกนอกไปแล้วพอกิเลสดับไปแล้วไปเจออะไรเจอว่างนะว่างมันมาขั้นความวุ่นวายความวุ่นวายดับมันก็ว่างแล้วก็อยู่ที่ว่างนะั้น อยู่อย่างนั้นนะเป็นปีเลยตรงนี้มันเที่ยงคงที่อยู่อย่างเงี้ยดูไม่เสื่อมเลยตรงเนี้มีแต่ความสุขมีความสุขมีความสงบเบิกบานอิ่มเอิ ม, มอยู่ตรงเนี้เราฝึกได้เราบังคับได้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะเฉะลียวใจขึ้นมาเฮ้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทําไมเราไปเจอนิจจังสุขขังอัตตา ดีนะเนี่ยที่เคยฟังธรรมะนะเคยฟังธรรมะอ่านธรรมะของพระพุทธนะเจ้าอะไรเงี้ยไล้เฉลียวใจว่าที่ทำอยู่ไม่ถูกแล้วแต่มันผิดตรงไหนมองไม่ออกว่ามันผิดตรงไหนพอดีขึ้นไปกราบหลวงปูนะ่เทศอ่ะแล้วแวะไปหาหลวงตามหาบัวได้ไปถามท่านท่านบอกว่ามันดูไม่ถึงจิตลนะให้บริกรรม พอบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะ่ะจิตไม่ชอบบริกรรมเฉยๆฉยอดานเรอึด า, านไม่เอากลับมาหายใจเราถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมากกว่าก็หายใจไปพุโทโธไปจิตก็สงบแล้จิตสงบนะั้นแทบเกะกบานตัวเองนะจิตเข้าฐานนะ้ที่แท้หนึ่งปีกว่าๆนี้จิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกนะแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแนละ้วมันเห็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตา ดีว่าเคยได้อ่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่งั้นลงผิดไปคิดว่าเราเป็นสยมภูขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะเนี่ยเป็นปรมาจตามันอีกค น, นเสร็จแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปอีกพอไหวไหมรู้เรื่องเปล่าวันนี้เทศเวอร์อรชันง่ายบางวันก็เทศยากวันนี้เทศแบบเอาใจตลาดหน่ะตลาดระดับล่าง ทำอะไรบ้างดูของจริงคือกายกับใจไม่ใช่หลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งเราจะได้เห็นว่ากายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นความจริงมากๆเข้าแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ ครคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพอาหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตมันปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมาได้เพราะมันเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมามันลึกซึ้งนะจะสุดท้ายนจะเห็นนะยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะ ถูกเพราะอะไรถูกเพราะไม่เที่ยงถูกเพราะถูกบีบคันถูกเพราะควบคุมบังคับไม่ได้ไนะตรลักษณนะ่น่ะแสดงให้เห็นตัวทุกไม่ฝึกเอานะทานข้าวนี่หมดเลยครับ